เรื่องถั่วเขียวท่านพระกังขาเรวตะเห็นถั่วเขียวงอกขึ้นในกองอุจจาระระหว่างทางยำเกรงอยู่ว่าถั่วเขียวเป็นของไม่ควรถึงต้มแล้วก็ยังงอกได้พร้อมด้วยบริษัทไม่ฉันถั่วเขียวแม้พวกภิกษุที่เชื่อฟังท่านก็พลอยไม่ฉันถั่วเขียวไปด้วย